เพียงจิตใจไม่หงอไม่ท้อทดเพื่ออยากหยดดวงวิญญาณให้หารกล้ากำลังกายกำลังจิตไม่หิทาใจฟันฝ่าทุกภัยด้วยใจเพีย จเจริญสุขสวัสดีเพื่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจิตใจและร่างกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกันผู้ประสงค์เดินทางไปสู่ความสำเร็จอันสูงส่งจะต้องประคับประคองกายให้อยู่ในสภาพแข็งแรงพอที่จะต้านทานลมแดดและโรคภัยไข้เจ็บในเวลาเดียวกันก็ควรฝึกกำลังใจให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับอารมณ์ร้าย อันจักรบกวนจิตใจให้ไข้เขวการเอาธรรมะเป็นที่พึ่งคำนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมก็ยังปฏิญญาพระองค์ เป็นผู้เคารพธรรมคือธรรมเป็นที่พึ่งจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงคนทั้งหลายซึ่งยังต้องอาศัยธรรมอยู่เป็นอันมากเสมือนคนที่ยังต้องอาศัยเรือเพื่อข้ามฝั่งตลอดเวลาที่ยังอยู่ในสาครเขาก็ควรยึดเรือไว้เป็นที่พึ่งก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจในท้องทะเลก็โลกนี้จะม่ใช่ทะเลใหญ่ ที่เต็มไปด้วยคลื่นลมอันบ้าระห่ำดอกลือ้อใช่แล้วทะเลใหญ่ทะเลแห่งชีวิตซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการอธิเค้นการคดโกงทุจริตการประหัดประหารกันเพราะแย่งผลประโยชน์กันอุบัติวเหตุโรคภัยไข้เจ็บความเศร้าโศกเสียใจความไม่สมหวังในสิ่งที่หวัง ความเหน็ดเหนื่อยบอบช้ำในการประกอบอาชีพสแสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประครบประงมชีวิตความทยานอยากในสิ่งที่ยั่วยวนอันมีประการต่างๆเป็นต้น มาเหมือนมีบุรุษผู้หนึ่งต้องการดื่มน้ำเพราะความกระหายเขาพยายามคันน้ำจากมเมล็ดทรายบ้างจากเขาโขบ้างจากก้อนหินบ้างได้รับความลำบากเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเมื่อเห็นว่าไม่อาจได้น้ำจากสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาจึงเลิกเสียมานั่งพักผ่อนเพื่อสะสมกาลังกายเพียงเล็กน้อยแล้วก็เริ่มหาวิธีการต่อไป เขาเห็นกอหญ้ากอหนึ่งงอกอยู่ในดินคิดว่าน่าจะพบน้ําจากตรงนั้นได้แล้วก็ถือจอบและเสียมแสะลงไปขุดลงไปตรงนั้นด้วยเรีเร่ยวแรงทั้งหมดเท่าที่เหลืออยู่ขุดลงไปขุดลงไปจึงได้พบตาน้ํามีน้ําพุ่งขึ้นมาใสาสะอาดและเย็นเขาอาบและดื่มตามต้องการอาบและดื่มอย่างมีความสุขให้คุ้มกับ ความเหน็ดเหนื่อยจากการขุดเขาประสบความสุขจากการนั้นแล้วจึงนึกถึงคนที่เคยให้กำลังใจเขาคั้นเมล็ดทรายศิลาและเขาโคอยู่จึงได้ไปบอกเพื่อนเขาเหล่านั้นอยากได้ดื่มน้ำบ้างและบอกวิธีว่าวิธีหาน้าในที่แห้งแล้งนั้นควรจะทำอย่างไรท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบุรุษผู้นั้นโง่หรือฉลาดน่าสรรเสริญ หรือนนาตเตตแน่นอนทีเดียวการหมกมุ่นอยู่ในโลกรีอารม์ผสมกับความเพลิดเพลินอันเกิดจากสิ่งกำหนัดยอมใจซึ่งมนุษย์พากันหลงไหล เข้าใจว่ามันเป็นความสุขแห่งชีวิตนั้นมักทำให้สุขภาพจิตเสื่อมโทมเสมือนคนไข้ได้ของแสลงแม้เขาจะบริโภคอย่าง อ, าอร่อยเพียงใดมันก็มีอำนาจทำให้อาการไข้ทวีสูงขึ้นอยู่นั่นเองดังนั้นการลอยตัวออกไปยืนมองโลกอยู่ห่างๆในระดับสูงจึงมีค่าแก่ชีวิตอย่างมาก ทำให้มองเห็นชีวิตเสมือนกับผงทุลีในอากาศไม่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นแล้วดำเนินชีวิตโดยถือหลักว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วอนาคตก็จะดีเองการหมกมุ่นครุ่นคิดต่ออนาคตมากเกินไปวางแผนการสำหรับอนาคตมากเกินไปมักทำให้ใจฟุ้งซ่านกังวลและแล้วก็มัวแต่ฟุ้งซ่าน อยู่นั่นเองทำอะไรในปัจจุบันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เห็นความสามารถเพราะพลังจิตพลังงานถูกแบ่งไปมากเมื่อปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรให้ดีอนาคตจะดีได้อย่างไร หลายที่อยู่รอบข้างเป็นเพียงกระจกเงาเราแสดงอาการอย่างไรมันก็จะแสดงอาการอย่างนั้นตอบถ้าสามารถทําใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะพบกับความสุขอย่างแท้จริงแห่งจิตใจไม่มีใครมอบความสุขสงบให้แก่ใครได้ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่ทําตนให้เป็นเครื่องรองรับความสุขที่ดี มนุษย์เป็นอันมากกระเสือกกระสนหาความสุขแต่ไม่ได้ทำตนให้เป็นที่รองรับความสุขเสียเลยเมื่อเป็นดังนี้จะสแสวงหาความสุขมาสักเท่าใดมันก็มีอาจอยู่ด้วยได้ประหนึ่งเทน้ำลงในตุ่มรั่วรังแต่จะเหนื่อยแรงเปล่าดูก่อนเพื่อนนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พลังอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าสิ่งใดในโรคนี้ก็คือบุญบา ร, รมีที่บุคคลสั่งสมไว้ทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันโดยการทำคุณงามความดีต่างๆด้วยจิตใจที่มั่นคงแ น, แน่วแน่เมื่อมาถึงในระดับหนึ่งบุคคลย่อมมีความมั่นใจในตนและมั่นใจในบุญกุศลหรือธรรมะที่ประพฤติดีแล้วเหมือนร่มคันใหญ่ ในฤดูฝนป้องกันคนผู้กลางกั้นมิให้เปียกอันหนึ่งธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมผู้มีธรรมะมีแต่จะช่วยยกเชิดชูช่วยหนุนให้ฟูเฟื่องขึ้นให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์บางอย่างบุคคลย่อมได้ด้วยความเพียรแต่บางอย่างบุคคลย่อมได้ด้วยบุญ การสั่งสมของจอมปลวกของตัวปลวกการสั่งสมน้ําพึ่งของตัวพึ่งจงดูการสิ้นไปทีละน้อยแห่งยาหยอดตาผู้มีความเพียรย่อมสะสมความรู้และความดีทีละน้อยนานวันเข้าย่อมมากไปด้วยความรู้และความดีส่วนผู้เกียจคร้านมัวพลัดวันประกันพรุ่งและมัวอ้างนั่นอ้างนี่เพื่อจะได้ ไม่ทำความดีและไม่แสวงหาความรู้นานวันเข้าก็ย่อมมากไปด้วยความชั่วและความโง่ชีวิตของคนเราไม่ยาวนานนักแม้เพียงแสวงหาความรู้และสะสมความดีก็ไม่ทันแก้เวลาเสียแล้วจะมีเวลาที่ไหนไปสะสมอวิชชาและความชั่วเล่าความเกียดคร้านเป็นภัยใหญ่ในชีวิตมนุษย์ความเกียดคร้าน จะไปลบล้างคุณธรรมอื่นๆเสียสิน้นส่วนความเพียรจะช่วยหนุนคุณธรรมอื่นที่มีน้อยอยู่ให้สมบูรณ์ขึ้นเช่นคนผู้มีสติปัญญาน้อยย่อมชดเชยได้ด้วยการใช้ความเพียรให้มากขึ้น สแสวงบุญถ้ามนุษย์ในโลกนี้เว้นจากการเบียดเบียนกันต่างเต็มใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันด้วยน้ำใจอันงามแล้วโลกนี้จะข้ามพ้นความยากเข็ญเป็นอันมากแต่ความเห็นแก่ตัวแก่ตนของคนเรามีมากเกินไปจนมองไม่เห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นและไม่เห็นแก่ผู้อื่นโลกของเราจึงอยู่ในสภาพที่เดือดร้อน วุ่นวายและมีภาระอันหนักอยู่มีเว้นวายการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นในกิจที่ชอบนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่ยากเลยถ้ามนุษย์เราปลูกฝังคุณธรรมคือความกรุณาให้มีในใจอยู่เสมอความกรุณาจะมีลักษณะให้ทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นมีความหวนใจ ต่อความทุกข์ของผู้อื่นเสมอด้วยความทุกข์ของตนมองคนทั้งหลายเห็นเป็นเสมือนญาติพี่น้องของตนเป็นน้องบ้างพี่บ้างลุงป้านาอาบ้างมารดาบิดาปู่ย่าตายายของตนบ้างเมื่อทําใจได้อย่างนี้จิตใจย่อมอ่อนโยนพร้อมที่จะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขาให้พ้นทุกข์มีความอิ่มเอิบใจ เมื่อได้ทำความดีแม้จะเหนื่อยกายบ้างแต่ใจสบายอิ่มใจและสุขใจสิ่งที่ทำนั้นยังจะอำนวยวิบากสมบัติให้เป็นไปในสัมภารยภพอีกด้วย สแสวงบุญขอได้โปรดพิจารณาดูเถิดว่าคุณความดีที่บุคคลทําไว้ด้วยความตั้งใจดีมีผลอย่างไรแม้คนไม่มีทรัพย์ก็ทําความดีได้ด้วยกําลังกายกําลังความคิดและกําลังใจอันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าเราจะทําในสังคมมนุษย์ถ้าไม่ขาดแคลนน้าใจต่อกันแล้วอะไรเล่าจะขาดแคลน คนเราในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ย่อมเคยเกิดกันมาทุกแบบเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างต่ำบ้างสูงบ้างมั่งคั่งบ้างยากจนขัดสนบ้างดังพระพุทธพจน์ต่อไปนี้ท่านผู้เห็นภัยในวัตตาสงสารทั้งหลายสังสารวัฏนี้ยาวนานเหลือเกินเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ปรากฏสำหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชา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 เรื่องอาหารการกินก็มีกฎธรรมชาติอยู่คือถ้ากินแต่พอดีรู้จักกินกินเป็นกินอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายร่างกายก็จะเจริญ เ, เติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีมีความสุขทางกายพอสมควรนี่คือรางวัลที่กฎธรรมชาติมอบให้แต่ถ้ากินไม่พอดีกินไม่เป็นกินอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือชอบกินแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นชอบเสพของมึนเมาเสพสิ่งเสพติดก็จะทำให้ร่างกายสุดโทรมผิวพรรณไม่ผ่องใสสุขภาพไม่ดีไม่มีความสุขกายนี่คือการลงโทษของกฎธรรมดา ในเรื่องของการเสพอารมณ์ของจิตก็เช่นเดียวกันอารมณ์เป็นอาหารของจิตถ้าจิตได้อารมณ์ดีๆอยู่เสมออารมณ์ที่ไม่เป็นพิษแก่จิตอารมณ์นั้นก็จะเข้าไปบำรุงจิตให้เจริญสงบสุขสุขภาพจิตดีแต่ถ้าจิตได้อารมณ์ที่ไม่ดีเป็นของแสลงแก่จิตหรือเป็นพิษแก่จิตก็จะทาให้จิตสุดโศมเศร้าหมอง เร่าร้อนกระวนกระวายสุขภาพจิตจะค่อยๆเสื่อมลงไปทีละน้อยทีละน้อยความเสื่อมสุขภาพจิตเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะก่อทุกข์กอดโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นสุดจะพารนาได้ สิ่งทุกอย่างมีสองด้านเสมอมีมืดก็ต้องมีสว่างมีเย็นก็ต้องมีร้อนมีสูงก็ต้องมีต่ำมีดีก็ต้องมีชั่วมีสุขต้องมีทุกข์มีชนะก็ต้องมีแพ้มีสมหวังก็ต้องมีผิดหวังเราต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านถ้ามองด้านเดียวดีด้านเดียวไม่เตรียมตัวไว้รับด้านเสียเมื่อถึงคราวประสบ ด้านเสียจะเอาตัวไม่รอดถ้ามองแต่ด้านเสียด้านเดียวไม่เตรียมตัวไว้รับด้านดีเมื่อถึงคราวประสบด้านดีก็เอาตัวไม่รอดอีกรักที่จะเล่นกีฬาต้องเตรียมตัวรับทั้งแพ้และชนะรักที่จะสอบแข่งขันต้องเตรียมรับได้และตกรักที่จะหวังอะไรต้องรับทั้งสมหวังและผิดหวังผู้มองโลกทั้งสองด้าน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 มันให้เปดังเกอเคยโชคดีแต่ขอให้เราอย่าไปเมาว่ามันจะเหมือนเช่นเดิมวันนั้นที่เคยักันวดีวันนี้อาจยังวงด จะจริงตัวเราเองต้องยอมผิดหวังเพื่อเป็นทางสร้างความหวังใหม่หากไม่หวังซ้ำยังหมดกำลังใจเมื่อไรสิ่งที่เคยหวังจะเป็นจริงวันนั้นที่เคยฝันตั้งก็ดีวันนี้อาจยั คนเราย่อมไม่มองเห็นร่างกายของตนได้ทุกส่วนแม้จะยืนขึ้นแล้วก้มลงมองดูก็จะพบแต่ส่วนหน้าเท่านั้นส่วนหลังหาเห็นไม่ในการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามักจะมองเห็นในด้านดีของเราส่วนด้านเสียมองไม่ค่อยจะเห็นก็เลยเข้าใจว่าตนดีแล้วถูกต้องแล้วเหมาะสมแล้ว ทีนี้เมื่อคนอื่นมาพบข้อบกพร่องของเราเขาก็ชี้ให้เราดูถ้าเราไม่พอใจเพราะความรักตัวคนอื่นมองเห็นตัวเราได้ถนัดชัดเจนกว่าตัวของเราเองฉันใดเขาก็มองเห็นความประพฤติของเราได้ดีกว่าเราฉันนั้นเมื่อเธอยอมรับว่าตนยังมีข้อบกพร่องเมื่อคนอื่นชี้ให้จนเห็นข้อบกพร่อง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 ดูก่อนท่านสาธุชนทั้งหลายโอกาสเปิดอยู่สำหรับบุคคลผู้รู้จริงและมีความสามารถจริงเขาจะไม่ตกต่ำดังนั้นเมื่อเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วควรรู้ให้จริงและฝึกปรือให้มีความสามารถสูงในวิชาของตนของตนมีศิละปะในการทำให้ดีขึ้นวิชาและศิละปะนั่นแหละ แม้เล็กน้อยเพียงใดก็จะช่วยผู้ที่มีวิชาและศิลปะนั้นให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างดีขอให้รู้จริงและมีความสามารถดีจริงเถิดแต่ต้องมีเจรณะสมบัติที่ดีด้วยมิฉนั้นก็จะเอาตัวไม่รอด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 ความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อซื่อสัตว์และเอาจริงผลจะต้องมีอย่างแน่นอนแม้จะช้าสักหน่อยก็ตาม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 มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการทำและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์ก็จะตามมาถ้าใจผ่องแผ้วการทำและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะตามมาเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคหรือเหมือนเงาตามตัวฉะนั้น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 ผู้ใดทำได้ย่อมประสบผลอันไพศาลคือได้รับผลซึ่งคนอื่นได้รับได้โดยยากเหมือนกันคนฉลาดจึงพยายามทําสิ่งที่คนอื่นทําโดยยากเรื่องการกระทํานั้นขอให้มีหลักใจอยู่ว่าไม่ต้องเรีบร้อนทําค่อยทําค่อยไปแต่ขอให้ทําแล้วผลสําเร็จจะมาเองบางทีมีมาโดยที่เจ้าตัว ไม่นึกหวังว่าจะได้รับในขณะนั้น พึงดูตัวอย่างการเดินทางไกลผู้เดินไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะระยะทางไกลนั้นถ้ารีบร้อนนักจะเสียกำลังมากและเมื่อเสียกำลังมากแล้วบางทีจะต้องหยุดเสียนานทีเดียวกว่าจะได้เริ่มต้นเดินทางอีกสู้เดินไปเรื่อยๆไม่ได้ยิ่งไม่ต้องกังวลถึงปลายทางด้วยแล้วก็จะถึงโดยไม่รู้ตัวแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า ขอให้เดินอย่าหยุดหรือถ้าหยุดก็หยุดด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อจะเดินทางต่อไปอีกไม่ใช่หยุดเพราะเกลียดคร้านหยุดเพื่อสะสมกำลังเพื่อเดินทางต่อไปการทำความดีก็เช่นกันไม่ต้องรีบร้อนทำก็ได้แต่ให้ทาไปเรื่อยๆแต่อย่าหยุดทาสุดท้ายก็จะถึงที่สุดทางสายดีไม่เหมือนทางสายชั่ว มันไม่มีที่สุดทางยิ่งเดินยิ่งลึกยิ่งไปก็ยิ่งไกลแต่ความดีนั้นทําให้หมดสิ้นได้ก็คือยิ่งทํายิ่งหมดคือเมื่อใดรู้สึกตัวว่าถลำลงไปในทางชั่วก็รีบถอนกลับเสียเพราะยิ่งเดินยิ่งหลงเมื่อใดรู้สึกตัวว่าก้าวพลาดก็ให้ประคองเดินไปอย่างระมัดระวังจนกว่าจะถึงที่อันกเกษม คือความปลอดภัย Don't die. ไม่ได้มีรูปเป็นเส้นตรงแต่มันมีลักษณะคล้ายเดียวคลื่นที่ม้วนตัวเข้าหาฝั่งและแตกกระจายไปมันขึ้นขึ้นลงๆอยู่ตลอดเวลานั่นคือความแท้จริงแห่งชีวิตไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องวิตกทุกข์ร้อนนักจงยืนมองดูชีวิตเหมือนมองดูเดี่ยวคลื่นในมหาสมุทร ที่ดำเนินไปอย่างไรเหตุผลจะต้องล้มสลายต้องอับปางชีวิตสำคัญกว่าความรักเพราะชีวิตเป็นทั้งหมดของคนแต่ความรักเป็นเพียงส่วนประกอบอย่างหนึ่งของชีวิตและเป็นส่วนประกอบที่ไม่ค่อยจะจำเป็นนักอีกด้วยไม่มีก็ได้ จริงทีเดียวมนุษย์ทุกคนมีความสามารถมีความถนัดของตนของตนเขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการที่นิยมในความถนัดของเขาเพราะทําให้เขาเป็นคนเด่นมีความสําคัญในวงการนั้นแต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่ไม่ได้มีความรู้สึกยกย่องในวิชาหรือความสามารถของเขา นักแสดงที่มีฝีมือดีย่อมภาคภูมิเมื่ออยู่ในหมู่นักแสดงด้วยกันนักรบที่ชนะสงครามมากมียศสูงย่อมอิ่มใจเมื่ออยู่ในหมู่นักรบที่ชื่นชมในฝีมือของตนนักพรตผู้มีศีลย่อมมีความเชื่อมั่นในตัวเองปราศจากความขั้นคลัามเมื่อเข้าสู่มหาสมาคมแห่งสมณพราหมณ์ขน า, ารย์ ผู้ส่งศีลผู้มีความสามารถด้านอื่นๆก็เหมือนกันแต่เมื่อผิดวงการไปเขากลับกลายเป็นผู้ด้อยเสมือนไม่มีความรู้ความสามารถเด็กอายุเยาว ย่อมถือเอาเสียงของผู้ใหญ่เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตผู้ใหญ่กล่าวสรรเสริญสิ่งใดอยู่เสมอเขาย่อมต้องกระทำเช่นนั้นเพื่อให้ถูกใจผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงนิยม ช, มชมชอบตัวเขาเป็นเหมือนดินเหนียวที่หมาดๆพร้อมที่จะปั้นรูปใดก็ได้ โบราณท่านจึงว่าอย่าไว้ใจพระราชาว่าปลดปลานอย่าไว้ใจโจรว่าเป็นเพื่อนเก่าอย่าไว้ใจสตรีว่ารักเราและอย่าไว้ใจคนที่มีศัตราในมือที่พึ่งอันกเกษมคือตนเองพึ่งตนได้แล้วไม่ต้องงอไข่ไม่ต้องมีความสุขทุกข์เนื่องด้วยความโปรดปรานหรือไม่โปรดปรานของคนอื่น นส่วนมากมองความสำเร็จชีวิตคนเหมือนเจดีย์ในระยะไกลเห็นแต่ยอดและนิยมชมชื่นแต่ยอดนั้นหาคิดไปอีกช่วงหนึ่งไม่ว่ายอดเจดีย์ที่วางสงาเปล่งปลั่งอยู่ได้อย่างนั้นเพราะมีพื้นฐานมั่นคงในข่างค่อยๆก่อขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยฐานที่มั่นคงนั่นเอง ทำให้ยอดเจดีย์อยู่ได้มองเห็นจากที่ไกลเจดีย์ยิ่งสูงมากเท่าใดฐานจะต้องใหญ่และมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อเราเห็นความสำเร็จในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งเราก็มักจะนั่งชมบุญชมบารมีของผู้นั้น แต่พื้นฐานแห่งความสำเร็จความสูงส่งนั้นคนไม่ค่อยจะนำมาพูดกันความจริงแล้วคนที่ประสบความรุ่งโร์แต่ละคนล้วนขับเคี่ยวกันมากับอุปสรรคนาน า, นาประการแต่คนไม่ค่อยจะสนใจเมื่อกรรมกรกกำลังขุดดินลงรากตอกเข็มตึกให ญ, ใหญ่จะมีใครสนใจกับการกระทาอันนั้นสักที่คน ตึกใหญ่ซึ่งทําให้คนส่วนมากตะลึงและพิศวงนั้นกว่าจะโผล่ขึ้นมาทับดินได้ก็เป็นแรมเดือนแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วดูสวยงามสง่าใครก็ทักใครก็ชมการสร้างตึกเจดีย์เป็นฉันใดการสร้างชีวิตก็ฉันนั้นจะต้องวางรากฐานค่อยๆสร้างค่อยๆทําเมื่อรากฐานมั่นคงแล้ว ก็เป็นการยากที่จะล้มไม่ใช่สร้างอย่างสุกเอาเผากินต้องการความรุ่งเรืองในระยะเวลาเล็กน้อยการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วรุ่งเรืองทันใจแต่ไม่มั่นคงกับการค่อยสร้างค่อยไปก้าวไปอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นมั่นคงท่านจะต้องเลือกเอาประการหลังความเพียรพยายามเป็นคุณสมบัติสําคัญของมนุษย์ ขอให้เราได้พยายามจะสำเร็จแค่ไหนนั้นก็แล้วแต่มันการสร้างบ้านก็เหมือนการสร้างชีวิตการสร้างชีวิตก็เหมือนกับการสร้างบ้าน ก่อนจะลงมือสร้างบ้านผู้ฉลาดจะต้องมีแปลนหรืออย่างน้อยควรกำหนดไว้ในใจว่าจะทำอย่างไรไม่ใช่ทำไปตามบุญตามกรรมเมื่อไม่พอใจก็รือ้อแล้วลงมือทำใหม่เมื่อไม่พอใจก็รื้ออีกอย่างนี้กว่าจะได้เรือนดีไม้ก็ชำหมดการสร้างชีวิตก็เช่นกันควรมีแปลนของชีวิตว่าเราจะสร้างชีวิต หล่อหลอมชีวิตของเราให้เป็นอย่างไรจะได้เริ่มเดินทางที่ถูกเสียแต่ต้นๆไม่ต้องเสียเวลาชีวิตมากเกินไปหรือจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าพอรู้ว่าเดินทางถูกก็สายมากเสียแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องสร้างอย่างคนที่อื่นเขาสร้างกันเราสร้างตามแบบของเราตามที่ใจเราชอบแต่ทําสําเร็จ เรียบร้อยและเป็นความสุขของเราเหมือนเราเลือกแบบบ้านที่เราพอใจแบบของชีวิตก็เช่นกันธรรมดาคนดีก่อความรู้สึกปลาโมดแก่คนผู้อยู่ใกล้ชิด ไม่มีวันจืดจางนอกจากนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยคนดีก็ปลอยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไปด้วยดูสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยพระพุทธเจ้าเถิดแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุคนทั้งหลายก็บรรจุสถูปเจดีย์ไว้เป็นที่บูชาพระอังคารคือเท่าฐานที่เหลือจากการถวายพระเพลิงคนทั้งหลายก็นาไปบูชา ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่เคารพ บ, บูชาไปสิ้นความดีจึงเป็นสิ่งน่ารักน่าถนอมน่ากระทำเพราะมันเสกสรรคนทำให้เป็นคนดีคนศักดิ์สิทธิ์คนที่โลกต้องการยกย่องเคารพสักการะ มนุษย์เรามีอัธยาศัยความโน้มเอียงและจุดอ่อนต่างๆกันการล่อให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าทราบความโน้มเอียงและจุดอ่อนของผู้นั้นไม่เป็นการยากเลยที่จะให้เขาทำตามความปรารถนาของผู้ล่อผู้มีความโรคเป็นนิสัยยอ่อมโน้มเอียงไปในทางราบและเงินทองเมื่อมีราบอยู่เบื้องหน้า ใจิตใจของผู้นั้นก็กวัดแกงถ้าได้กำลังและโอกาสสนับสนุนเขาจะเริ่มทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ลาบนั้นมาบางคนไม่มีจุดอ่อนทางลาบแต่เขาอ่อนแอเสียเหลือเกินในสตรีงามเมื่อต้องการให้บุคคลประเภทนี้หันเหชีวิตไปในทางใดต้องให้เขาทําอะไรถ้ามีสตรีงามแอบแฝงอยู่ด้วย เขาก็จะทำย่อมฝ่าฝันอุปสรรคและบางทีก็เป็นการลงทุนจนเกินเหตุแต่จะทำอย่างไรได้เขามีจุดอ่อนในทางนั้นบางคนมีความทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่เป็นโตเสียจนกลายเป็นจุดอ่อนอันหนึ่งของชีวิตเมื่อถูกหลอกล่อด้วยตำแหน่งฐานะระยสั์เขาก็จะเดินตามและจะยอมทุกอย่าง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 มันตอบคําถามไม่ได้ถ้านายเลี้ยงมันอย่างดีฝึกไม่ให้มันกินของที่ตกอยู่กับพื้นมันจะยอมกินเนื้อของโจรละลืล้อแต่นายไม่เคยสํารวจหรือสํานึกถึงหน้าที่ของตนที่จะปฏิบัติหน้าที่ของมันข้างเดียวความจริงมันก็พยายามปฏิบัติตามหน้าที่โดยเคร่งครัดอยู่แล้วโดยการเห่าเมื่อได้กลิ่นคน ซึ่งไม่ใช่เจ้าของในเวลาวิกาลแต่เมื่อก้อนเนื้อแทรกเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งที่มันประสงค์มันต้องการจึงทำให้มันลืมหน้าที่ไปชั่วคราวนี่คือจุดอ่อนของสุนัขท่านายซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเป็นเพียงคนรับจ้างเฝ้าบ้านเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของบ้านและเจ้าของของทรัพย์ที่แท้จริงและเขาได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สมบัติที่โจรขโมยไป เขาจะพอใจหรือไม่เรื่องนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสำนึกในหน้าที่ของเขาจะมีมากน้อยเพียงใดแต่ชีวิตย่อมเป็นไปตามคันรองของมันเองเมื่อถึงคราวชีวิตจะเปลี่ยนแปลง ย่อมได้แรงบันดาลใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บุคคลเจ้าของชีวิตก้าวลงสู่ทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้ามันเหมือนมีอํานาจอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเร่งเรา้าและผลักดันให้ชีวิตหันเหไปในทางที่เจ้าของชีวิตก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าทําไมเขาจึงต้องทําอย่างนั้นและประกอบกรรมอย่างนั้นทั้งๆที่เขาก็ไม่อยากจะทําเลย คนเก่งคนสามารถนั้นไม่จาเป็นต้องมีปริญญาเสมอไปการฝึกฝนตนเองการเรียนรู้โลกจากเหตุการณ์ของโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทุกคนก็มีโอกาสเข้าได้การมีปริญญาด้วยซ้ำไปบางทีก็เป็นเครื่องทวงให้คนทำอะไรไม่ได้ในเมื่อผู้นั้นมีความรู้ความสามารถ ไม่สมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญาจะทำงานต่ำก็ไม่ได้เพราะมีปริญญาทามีขีตะชุดเพียงเพื่อกำลังใจก็ต้องขอยุติ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 Ya ben yen sakar. Grow.